1. น, นิยายคืออะไรใครเป็นผู้เขียนบทใครบ้างเอ่ยที่ได้ยินมาหรือได้ทราบซึ้งกับประโยคที่ว่าโลกคือละครชีวิตคือละครซึ่งละครก็คือนิยายนั่นเอง โลกก็ดีชีวิตก็ดีจึงคือนิยายทั้งนั้นที่พูดมาข้างบนนั้นมันก็จริงที่สุดแล้วละครคืออะไรนิยายคืออะไรถ้าสรุปง่ายๆ่ยว่านิยายของใครก็คือชีวิตของคนแต่ละคนที่เป็นเรื่องเป็นราว ดำเนินไปอยู่ในโลกแล้วใครละ่ะที่เป็นผู้เขียนบทหรือกําหนดชีวิตเรื่องราวของมนุษย์แต่ละคนให้ดำเนินไปอยู่ในโลกต่อจากตรงนี้ไปเป็นคําวิจัยเพื่อการศึกษาเท่านั้น ขออภัยอย่างยิ่งถ้าท่านผูดด้ใดจะรู้สึกว่ามีเชิงลบหรูออะไรประมาณนั้นเกิดขึ้นขอยืนยันว่าคำวิจัยต่อไปนี้เพื่อความรู้อย่างจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่มีเชิงลบหรูใครผูดด้ใดแม้แต่น้อยโดยเฉพาะพระเจ้า เพราะอาตมาเคารพความเป็นพระเจ้าอย่างสูงสุดและเคารพบูชาพระเจ้ายิ่งด้วยความรู้ที่เข้าใจจริงและจริงใจอยู่ทุกเวลาไม่เว้นวินาทีเลยนี่เป็นความจริงที่อาตมาเชื่อมัน่นจึงพูดออกมาเช่นนี้ แต่ไม่มีสิทธิ์เลยที่จะบังคับให้ใครเชื่อและเชื่ออย่างยิ่งว่าคงจะมีคนไม่เชื่ออาตมาอยู่ไม่น้อยเพราะสิ่งที่จะยืนยันภาวะที่จะกล่าวถึงนี้มันไม่ง่ายเลยที่คนจะเชื่อ